ขอให้พวกเราทุกท่านที่เข้ามาบวชในตบอกตั้งใจภาวนาการภาวนาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านมีกำหนดเอาไว้ทศสมัยพระสมัยนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ว่า ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัตินี้รู้สึกว่าทรไระยากยาวไกลพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าเอาจริงเอาจังก็ไม่เหลือวิสัยถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีอุปนิสัยเก่าพอสมควรแล้วให้ภาวนา อยู่ในสติประธานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งในสี่กรรมฐานคือกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้อันใดอันหนึ่งท่านผู้นั้นอยา่างจ้าเจดปีเร็วกว่านั้นเจ็ดเดือนถ้าเร็วกว่าเจ็ดวัน อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสไว้แต่พวกเราท่านทั้งหลายเอาจจริงๆถ้าเอาจิงเอาจังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คิดว่าคงจะไม่เหลีอวิสัยแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายมันเผลอจะอมากกว่าอย่างตั้งเข้ามานาทีหนึ่งเผลอไม่รู้กี่ครั้งจะให้อยู่ในสติปัฏฐานสี่ให้สติอยู่ในกายตลอด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 กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เห็นพิษภัยเพราะนั้นใจของเราจรึงเผลอไผลออกไปตามอารมณ์ข้างนอกมากกว่าที่จะอยู่กับตัวเองแต่ถ้ า, าว่าเห็นพิษภัยเป็นพิษเป็นภัยจริงๆว่าสิ่งเหล่านั้นความแก่ความตายกินเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็คงจะไม่เผลอ หรือว่ารื่นเริง ม, ม, มัวเมากับสิ่งภายนอกก็คงจะอยู่ในสติปฐานสี่ได้แต่นี้มันยากเพราะกิเลสไฟต่า ม, มันดึงชุดลากจิตใจของเราให้ไหลลงตังต่ำอยู่เสมอเพราะนั้นนารทมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย หรือว่าปุถุชนทั้งหลายโดยมากก็จึงคงจะสุดวิสัยแต่ทางว่าอริยะชนผู้มีความมุ่งมั่นเห็นพิษเห็นภัยจริงๆก็คงจะทำได้ถ้าทำได้อย่างนั้นก็ท่านว่ามรรคผลนิพพานรอเราอยู่ไม่เกินกว่านั้นถ้าจิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดเวลา หลุดพ้นจากกิเลสไม่เกินเจ็ดปี7จเดือนเจ็ดวันนี่คือพระพุทธเจ้ารับรองเอาไวา้เพราะนั้นพวกเราที่จะทาจิตให้สงบไม่ถึงก็จะทาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเพียงแต่ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งพยายามให้สติอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่ง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 ถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่เอาเถอะบวชครัพระเจ้าบวชมาในครั้งนี้ออกจากนี้ไปข้าพเจ้าคงจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากเพราะออกไปมันก็ต้องได้สู้กับการเป็นอยู่สิ่งรอบด้านทุกอย่างแต่คราวนี้ข้าพเจ้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติเข้ามาศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า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 อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนตื่นขึ้นมากับพุทธโธเอาไว้อีกสักไม่เ ห, เหลือวิสัยจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึงน่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วนั่นแหละเราจะคุ้มค่ามากในการบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ในการบวชเป็นพระในครั้งนี้จะเป็นอารมณ์เรือว่าความจำไม่ลืมเลย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 ในการทำจิตให้สงบว่ามีความสุขเนี่ยเข้าไปย่ำยอมรับเนะนี่ยแหละการยอมรับไม่ใช่บอกยอมรับในความได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เกิดความเชื่อน่าจะเป็นอย่างนั้นเฉยๆฝังรากไม่แน่นบางงั้นถ้าหากว่าเราทำจิตให้สงบได้สงบจริงๆได้สัมผัสในความสงบจริงๆตามที่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 มันโยกยวคคลอนถ้าว่าใครมาอ้างเหตุผลให้ฟังเราก็ไหลไปตามเหตุผลของเขาแต่เหตุผลของเขานั้นไม่ใช่เหตุผลด้วยหลักที่เป็นความชัดจริงแต่บางครั้งเพราะความโง่ของเราเพราะความไม่รอบคอบของเราเพราะเราไม่ได้ไตรตรองให้ลึกซึ้ง เราก็เลยหลงกลระหว่าหลงคารมของเขาเนี่ยที่เขามาแนะนำชี้แนะสั่งสอนเราก็ไปกับเขาได้ง่ายๆเพราะเราไม่มีหลักแต่ถ้าว่าเราได้ประพฤติธปฏิบัติจนทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งแล้วค่อยๆเราฝังรากลึกไว้ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระริจาแล้วตัวนั้นจะถอนไม่ขึ้นเพราะเราเชื่อ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 ไฟนร้อน okay. อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสด้วยหลักธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนําเอเรื่องสมาธิจิตสงบมีความสุขนักทิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะเชื่อได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในครั้งนี้ ผมไม่มองเห็นอย่างอื่นที่จะเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ถ้าหาว่าพวกท่านทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้นี่หละธรรมะจุดนี้จะเข้าสู่จิตใจของท่านท่านจะคิดทำอะไรต่อไปในอนาคตถึงจะมีความทุกข์ร้อนถึงจะมีมรรสุมมาในทิศ ท, ทั้งสี่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 แต่เมื่อความทุกนั้นเข้ามาหาพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านไม่มีที่พึ่งไม่มีเกาะไม่มีที่กําบังอไม่มีที่พิงความวทุกข์นั้นจะกระพัดกระพือพัดรัดสตา์พวกท่านทั้งหลายผลที่สุดจะเหมือนกับปิ่งเหมือนลูกฟุตบอลเลยว่า ง, งั้นแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมีธรรมเป็นเครื่องอยู่สมาธิธรรมเนี่ย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 ได้ประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสหรือว่าได้อย่างลึกตรงถึงความสงบได้แล้วจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาปวดในครั้งนี้อย่าให้เสียท่าเสียทีนะในหลักที่ท่านบอกเอาไว้ว่าอารักะกรรมฐานกรรมฐานควรเจริญเป็นนิดอยู่สม่ำเสมอหรือว่าอรักะกรรมฐาน พุทธานสุสติระนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีที่เกื้อกูลหนุนที่แนะนําสั่งสอนสัตวโลกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณถ้าตรัสพระธรรมคําสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติอย่างศีลห้าอย่างนี้สําหรับครวัตศีลอุโบสถศีลแปดอย่างนี้ มีคุณค่าอย่างไรสำหรับสมมเองกสิ้นสิบสำหรับพระก็สิ้น2 7อันนี้คือสิลจากนั้นก็ทานะคือการให้ทานการเสียสละที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนจากนั้นทำหมวดต่างๆที่ท่านแนะนาอบรมสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วท่านมุ่งหวังอะไรจากเรา ท่านปรินิพานไปแล้วเข้าสู่นิพานไปแล้วท่านมุ่งหวังอะไรจากเราเราการาเาระครพเรากราไหวเทิดทูนบูชาพระองค์ไม่รับรู้ทางนั้นอแต่พวกเราได้พระธรรมคาสั่งสอนของ พ, พระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับเราท่านว่าผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวใดมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติใดนี่มีคุณธรรม ประจําจิตประจําใจประเทศชาตินั้นก็มีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้พระธรรมของพระพุทธเจ้าข้าไปเจ้าขอกราบไหว้ขอรบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอันนี้ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมตตาเมตตาคือแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย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 เพราะการผูกอาฆาตพยาบาทเขานั้นไม่ดีเขาอาฆาตเราก็ไม่ดีเราอาฆาตเขาก็ไม่ดีถ้าให้อภัยกันต่างคนต่างทำผิดทุกคนมีผิดได้ทุกคนจะให้อภัยกันเวรทั้งหลายก็จะระ ง, งับได้แต่ถ้าว่าทุกคนมีการไม่ให้อภัยกันจองเวรกันอยู่ตลอดเวลาจองเวรกันอยู่ตลอดไปเวร น, นั้นจะไม่ระ ง, งับเพราะนั้นเมตตาเท่านั้นเอง ที่จะเป็นเครื่องคํำจุนหนุนให้เวรภัยทั้งหลายจะไม่เกิดที่เกิดแล้วก็จางหายไปเพราะเมตตาเพราะนั้นท่านจะให้มีเมตตาประจำใจตื่นขึ้นมาก่กําหนดบริกรรมก่อนภาวนาก็กําหนดข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่พูดเฉยๆว่า ง, งั้นเถอะออกมาจากใจจริงๆๆ ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นเขาขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือใจให้แผ่เมตตาในใจสําหรับทุกๆคนว่า ง, งั้นจะคล้ายๆกัว่าให้เป็นอาจินระลึกไว้อยู่เสมอในอารักขากรรมาฐานและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราเมตตาแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอสุภะ ให้พิจารณาร่างกายตนและคนอื่นให้เป็นของไม่งามให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นยังไงต <Okay. S 1> ั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าแล้วเขาดูข้างในเป็นยังไงถลกหนังออกระเป็นยังไงมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก uh huh. มีอวัยวะข้างในตับลำไส้ปอดอะไรทุกอย่างอยู่ในร่างกายของเรา ให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นเป็นอสุภะถ้าว่าเราเห็นเป็นสุภะจิตใจของเราก็จะไม่กำเริบในการมักเลิทั้งหลายอันนี้ก็คือธรรมะใครเข้าว่าเป็นเครื่องเยียวยาแลือเป็นเครื่องห้ามล้อหรือเป็นเครื่องเปลกจิตใจของเราไม่ให้มันเตลิดเปิดเฟิงไปในเรื่องความรักสวยรักงามจนเกินไปเพราะร่างกายของเราเป็นยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เราว่าอสุภะกรรมฐาน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 คือว่าต่อไปภายภาคหน้าที่เราได้เป็นหมอหรือว่าทำหน้าที่การงานในรับหน้าที่ตำแหน่งก็ให้ําเนียกสํานึอกไว้อยู่เสมออย่างที่ผมได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบถ้าว่าพวกเราทำคุณงามความดีเป็นหมอที่ดีจิตใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขที่อยู่เบื้องหลังก็มีแต่ความยกย่องเชิดชู ใ, ใจของเราเมื่อจากโลกนี้ไปไปปลาโลกภายภาคหน้า พวกเราก็ไปด้วยความสบาย อ, อกสบายใจไปด้วยความภาคภูมิใจไม่พิจตกกังวลแต่ท้าว่าเราทํากรรมชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไว้อในชาติบ้านเมืองแล้วต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วต่อคู่คนในชาติแล้วถึงเราจะจากไปจะจากไปแบบไม่สงา่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็อ่ตําหนิตีเตียนเพราะนั้นการที่เป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งเป็นอยู่ให้ประกอบคุณงามความดีอยู่ทุกเวล่วลามาทุกสถานที่ให้ปัจจุบันเป็นคนดีอยู่เสมอให้เตรียมตัวไว้ในปัจจุบันเสมอถ้าว่าคนเราปัจจุบันของเราเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้เราเป็นคนดีเราสร้างดีไว้อยู่ตลอดอนาคต ต้องดีแน่นอนเพราะอาดีตอนปัจจุบันเป็ น, ปนคนดอีอนาคตก็ต้องดีแต่ถ้าว่าเราทํากรรมชั่วในเดี๋ยวนี้อนาคตมันก็ต้องมืดบอดแน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วว่างั้นถเถอถ้าคนขี้เกียจเรียนหนังสือเป็นยังไงถ้าคนขี้เกียจทำการทำงานเป็นยังไงคนขี้เกียจเก็บหอมรอมอริบเป็นยังไงคนทาความชั่วสุดๆแล้วเป็นยังไง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 พูดคุยกันมากเพราะโอกาสที่เราจะพูดคุยมีถึงเยอะแยะไปพยายามห้ามขีดห้ามใจของตนเองไว้ถึงอยากจะคุยก็ไม่คุยให้เข้าเบรกเอาไว้ให้ปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำตามที่เราได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่คุกคีด้วยหมู่คณะพยายามปลิตัวอยู่นี่ความสงบพยายามทาตัว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 ในเมื่อรู้รถแข่งความสงบแล้วผมว่าคงจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวนะอันนี้ไปว่านได้ฝังรากลึกในพระพุทธศาสนาคือทำจิตให้สงบคือภาคปฏิบัติแต่ถ้าเราเรียนรู้ทางฝ่ายปริยัตมันไม่ลึกนะมันไม่แน่นถ้าว่าใครมีวาทะที่เหนือกว่ามีความรู้ที่เหนือกว่าชักน้ำที่เหนือกว่าเราเขวได้ไง่ายๆเพราะไม่มีหลั แต่ถ้าว่าเรามีหลักจิตของเราสงบไปพื้นฐานสักครั้งหนึ่งละถึงใครจะพูดยังไงเราก็ยังลําลึกถึงและลึกถึงที่ว่าสมัยหนึ่งข้าทํากิตให้สงบมันสงบได้อย่างไงทําไมมันเป็นอย่างนั้นด้วยอารมณ์อย่างนั้นทําไมมันจิตใจมันมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเหลือเกินถึงยังไงยังไงมันก็ถอนไปขึ้นจุดนั้นเพรางั้นแหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ทั้งอกตั้งใจปฏิบัติ วันนี้ ก, ก, กนน็ฟังเทศสักการหนึ่งฟังเทศหลงตาสักการหนึ่งนะเอานั่งสมาธิต่อนะทีนี้นะ